รเทศอบรมในคือวันที่4ธันวาคมพศ2560ณวัดสามัตาีจังหวัดอุรีรานี์โดยพระอาจารย์มังบัวยานัมทปันโนขณะฟั้งเทศโปรดจากสมใจออกไปที่ยู่แม่ที่จุดสมมายังผู้เทศ ความสมควรทำความรู้สึกตัวไว้ภายในใจเท่านั้นมีชื่อว่าถูกลักษณะของการฟังเทศาการจะอธิบายถึงเรื่องใดๆหรือเรื่องของใครก็ตาม เรื่องรนั้นย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราผู้ฟังอยู่เวลานี้แทบท้งนั้ น, านการประกอบคุณงามความดีทุกประเภทเราอย่ามองให้เหมือนห่างจากพระพุทธเจ้าผู้พาดำเนินมา บำเพ็ญคุณงามความดีประเภทใดล่วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยพาดำเนินมาแล้วั้งนั้นท่านดำเนินยังไงมีเป็นหลักใหญ่จิตธรรมไม่หา สิ่งที่ดีมาดิบก็ย่อมมีทางชั่วเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเราจะโง่ก็หาผู้ฉลาดมาเป็นเครื่องยึดเหมือนอย่างคนตนก็ต้องอาศัยคนมั่งมีึ่งเราจะเรียกว่าโง่ก็ได้เพราะยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ ให้เป็นสุกภายในใจไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกต้องอาศัยท่านผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าพระหลักธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงออกมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความฉลาดของพระพุทธเจ้าและทรงเห็นผลประจักษ์มาแล้วทั้งนั้น ให้ยึดเอาหลักเะืนี้มาเป็นเครื่องดำเนินหากว่าใจได้เหินห่างจากธรรมก็จะมีแต่สิ่งยืงรมร้องทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแองั้นเราพึงเทียบเคียงดูว่าความท้อแท้อ่อนแอนี้เราเคยปฏิบัติ ลุกลอยตามเข้ามาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีผลอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราได้เดินตามทางแห่งความทอดแท้อ่อนแอแล้วผลที่จะพึงได้รับจกไม่ค่อยปรากฏเป็นที่พึงพอใจนอกจากจะได้รับความเสียใจที่เดือดร้อนในภายหลังเท่านั้น ที่เรานํามาเทียบตูเชน่นนี้แล้วการที่เราทําอะไรลงไปด้วยความติ่มมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักผลที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราอะไรเห็นผลอย่างชัดเจนด้วยความเทียเ่ยงเที่ยงเราจะได้เลือก เดินสายเหตุอันจะนำให้ผลดีเพิ่มขึ้นมาเป็นกนำลังแล้วการกระทําทุกอย่างจะไม่เป็นอุปสรรคต่อเราผู้ได้ทดสอบในเหตุผลทั้งสองฝ่ายโดยเรียบ้อยแล้วนี่คือหลักการดำเนินของผู้ถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยเหตุผลจะต้องนำหลัก เหตุผลเช่นนี้มาเทียบเคียงทดสอบตอนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาเวลาว่างไม่ได้ <c oughs> จะหาเวลามีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ <c oughs> โอกาสมีอยู่เต็มตัวทั้งโลกกถางไม่ปรากฏว่าไ้สูญหายไปไหนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีเดือนปีนาทีโมงมีประจำอยู่ตั้งกับตั้งกัน ไเคยบกพร่องไปแม้แต่นิดหนึ่งมีเรียกว่าโอกาสแต่ส่วนโอกาสสำหรับเราที่จะความเพนให้เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นไม่ค่อยมีเพราะเหใดทั้ทงทั้งที่โอกาสก็มีอยู่ทั่วๆ่วไปเหตุใดเราจริงเป็นผู้ขัดสนจนเว่ร่ำเวลา จะได้ปีกตัวบำเพ็ญแต่ละครั้งละคราวในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะไม่สามารถทำรา้นี่เป็นข้อเหตุผลว่าต้องฟิกเสมอหากไม่เิ็เแค่ น, นั้นจะหาทางเดินขอให้หลวมตัวของเราไปไม่ได้วันนี้เราก็ได้ตหนิเราว่าเป็นอย่างนี้ วันที่ผ่านมาแล้วกี่วันกี่ปีกี่เดือนเราก็ได้ตําหนิเราแล้ววันหน้าเราจะได้ชมเชยเราหรือจะต้องถูกตําหนิอยู่เช่นนี้ตามเคยการที่เราจะได้ถูกตําหนิตามเคยนั้นก็เพราะเราเดินเดินทางสายที่เคยตําหนิมาแล้วจะต้องได้รับการตําหนิเสมอไปถ้าเราแยกทางเดินจากสายตําหนินั่นเสีย ก้าเข้าสู่ทางที่จะได้ชมเชยตนเองเราก็จะได้มีความชมเชยในตนเองและเมื่อวันปีเดือนโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ที่ตัวของเราเองเชื่อว่าเราไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆทั้งทีทง่ทั้งที่โอกาสยุเดือนปียังมีอยู่เป็นประจำ เราก็หยิบฉวยมาทำประโยชน์ได้เท่าที่ควรการบาเพ็ญจิตนี้เป็นสิ่งที่ลำบากกว่าสิ่งอื่นอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่จะเป็นความลำบากอย่างนั้นตลอดไปหากจะมีความลำบากหรือฝืนตนเองอยู่ตลอดเวลา จนไม่สามารถจะยกความเพียรหรือยกระดับจิตขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วไม่ว่าผู้ใดจะไม่สามารถเป็นคนดีได้ในโลกนี้แม้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปรากฏในโลกแต่ที่ปรากฏก็เนื่องจากว่าการกระทำงาน ทุกอย่างไม่ใช่จะมีความยุ่งยากอยู่เป็นประจำและมีความหนักจนไม่สามารถจะยกขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาอยอมมีหนักบ้างเบ า, บ, าบ้างเป็นธรรมดาเช่นนั้นแม้แต่ทางเดินก็เหมือนกันถึงจะเรียกว่าทางลาดยางไปมาสะดวกเช่นจากกรุงเทพมาถึงอุดรห น, นองคายก็ตามแต่บางตอนก็ยังมี ขหักเหมือนกันไม่สม่ำเสมอสำหรับผู้เดินทางก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคสามารถผ่านมาได้จนถึงจุดหมายปลายทางมีการดำเนินตนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงระยะที่ลำบากก็ยอมจะมีถึงระยะที่ง่ายก็จะต้องมีเช่นเดียวกันจิตถ้าหัก ยังไม่ปรากฏผลเป็นความสงบให้ประจักษ์ใจพอจะเป็นสักขีพยานหรือเป็นเชื้อแห่งความเชื่อมั่นในผลที่ตนทำก็ย่อมเป็นเหตุให้ท้อถอยความเพียรเป็นธรรมดาแต่จะอย่างไรก็ตามเรื่องความเพียร น, นั้นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องพยายามทำเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีเวลาประกอบ ละของตนโดยเฉพาะให้ได้คือการอบรมกิตใจเพื่อจะเป็นพลังตอบกิจการงานผลอื่นด้วยเพื่อจะเป็นเครื่องต้านทานเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนด้วยเพราะตามธรรมนาที่เราอยู่ในโลกก็ฟังแต่ว่าโลกย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่ว จะต้องมาสัมผัสเกี่ยวข้องเราอยู่ทั้งหมอหากว่าเราไม่มีเครื่องต้านทานหรือปิดบงังไว้บ้างก็ยอมจะเกิดความเสียหายได้บักเหมือนกันหรือแม้ฉะนั้นก็มากยิ่งกว่านั้นมิจมุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นเครื่องต้านทานเมื่อผู้บําเพ็ญเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้แล้วใจย่อมเป็น ความมั่นคงต่อตนเองและต่อเหตุการณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่หนักให้เบาลงได้และสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่เบาให้หมดประโยชน์ได้ทั้งสามารถที่พิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้เห็นตามสภาพความจริงแล้วผ่านไปผ่านไปโดยไม่มีความเป็นอารมณ์เกี่ยวข้องถึงกับต้องได้นําทุกข์เข้ามาสู่ตนเนื่องจาก อารมณ์นั้นๆเพราะตนไม่สามารถจะพิจารณาให้รอบครอบได้มีการปฏิบัติผิดใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสมบัติเฉพาะใจเพียงเท่านั้นยังเป็นประโยชน์สําหรับหน้าที่การงานเราด้วยถึงได้ที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นความยากความลําบากที่เป็นการกระทบกระเทือนก็พยายามพิจารณาเอาหลักธรรมนี่หละเข้ามาเป็นหลักยึดค่อยพิจารณาไป จนมีช่องทางออกได้ไม่จนกรอบจนมุมหลักธรรมเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเบื้องตน้นไม่ว่าฆราวาสไม่ว่านักบวชเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําย่อมจะมีความยากลําบากเป็นธรรมดาเราคิดดูพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสลาเราเคยปรากฏ การเหมือนอย่างพระองค์ท่านบ้างไหมในเรื่องความนำบากความเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าเป็นยอดของโลกอยู่แล้วในความสมมตุติแล้วเสด็จออกจากความเป็นกษัตรกลายเป็นคนสามัญธรรมดาไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนับหน้าถือตาไม่มีใครอุปถัมภะถากดูแล ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้นับความสะดวกสบายมาตั้งแต่คราวเป็นกษัต์ลดลงเสียจนหมดไม่มีอะไรเหลือนี่จะเป็นทุกข์แค่ไหนให้เราคิดดูอย่างนี้มีใครบ้างที่จะสามารถทาได้อย่างพระองค์ท่านท่านทําอย่างนั้นลำบากไหมเราต้องเอามาเทียบเคียงเราทําขนาดนี้ทำไมถึงว่าเป็นความลำบาก อุบายวิธีที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้มีใจจิตใ จ, จใจที่จะบำเพ็ญตนให้เข้มแข็งขึ้นไปเราต้องหาท่านผู้ดีเราเกียดครัหาท่านผู้มีความขยันเข้ามาเป็นครูเป็นคติสอนใจอย่างที่ว่านี้เวลาพระองค์ออกไปอยู่ในป่าเช่นนั้นป่านั้นพระองค์ท่านเคยเห็นเคยได้อยู่ไหมไม่เคยได้อยู่ คนในแถวนั้นพระองค์ก็ไม่เคยรู้จักหน้าจับตากับใครไม่มีความสนิทคุ้นเคยกับผู้นผู้ใดพอที่จะรับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางสุขภาพตลอดถูกยาอะไรเลยไม่มีทั้งนั้นอ่ะอ่านลำบากไหมเรามาเพียรแล้วการประกอบความเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่า อาจทำข้อไหนที่จะเป็นคติทางเดินอันที่ถูกต้องก็ตัดทําไปแบบสุ่มเดาทุกยากลหมากแค่ไหนก็พยายามทําไปอดพระกาหารก็ถึงสี่สิบเก้าวันเรามีท่านผู้ใดมั่งที่สามารถจะทําได้อย่างนั้นลงถึงสี่สิบเก้าวันแล้วก็เรียกว่ารอดตายแล้วความทุกข์ก่อนอย่างว่ารอดตาย เหลือตายแล้วจึงได้มาเป็นพระพุทธเจา้าตามเทปประวัติว่าพโลมานหลุดออกจ า, จากขุมพโลมาคือขนจนหลุดไปหมดคงจะเปื่อยหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนื่องจากความทุกข์ความทรมานลำบากลำบุญแสนสาหัสสลบสลายไปถึงสองสามครั้งคนลงถึงสลบสลายนั้น จะมีทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ถึงขั้นสลบถึงจะสลบทุกข์ถึงขั้นตายถึงจะตายถ้ายังไม่ถึงขั้นตายก็ยังตายไปไม่ได้ไม่ถึงขั้นสลบก็จะสลบไปไม่ได้นั่นครูของเราโตดได้นำมาเป็นคติตัวอย่างแม้เราจะไม่ถึงกับสลบแบบพระพุทธเจ้าก็าตามแต่ก็เป็นคติอันดีที่เราจะก้าวไม่ถึงร้อยเปอรเ็นก็ จะได้สักกี่เปอร์เซนต์ก็เป็นสมบัติของเราที่เกิดจากคติอันนั้นนํามาพร่ำสอนตนเองมีพูดถึงเรื่องความลําบากเบื้องต้นของลําบากอย่างนี้เองประวัติใครๆไม่เคยปรากฏเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งความลําบากในการบําเพ็ญตนทั้งความรู้ความฉลาดความอดทนไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้า ทำแบบอัศจรรย์เวลารู้เห็นก็เป็นของอัศจรรย์อย่างนั้นถ้าจะมีความเหนื่อยหน่ายคลายศรัทธาความล้มสายในการประพฤติโทษนั่นเสียแล้วเสด็จกลับพระราชาวังก็จะเป็นศิทธฐาราชกุ ม, มารเท่านั้นแล้วก็สลายลงไปไม่มีประวัติร่องรอยปรากฏให้โลกให้กล่าวป้ายบูชาเลยแต่นี่แม่จะ ถาดขันจะสลายไปตามคติธรรมดาของโลกก็ตามแต่คาว่าพุทธะคือความตรัสรู้นั้นเป็นหลักใหญ่ที่โลกจะได้ได้กราบไ่ว้ตลอดมาเนื่องมาจากปฏิปทาที่มีความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังเหลือตายแค่ไหนก็นำเอาทรรอดตายนั้นมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมที่นำมาสอนโลกจริงไม่พระองค์จริงไม่ได้สอนว่า ให้นอนอย่างสบายให้นั่งอย่างสบายให้ทำตามสะดวกสบายใจทำจะเกิดขึ้นกับท่านใครอยู่ที่ไหนให้นอนสะดวกกสบายใจคิดอะไรให้ได้อย่างใจไม้ทำประเภทนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพทุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบาเพ็ญและรู้เห็นด้วยวิธีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้นำทาแบบนี้มาสอนโลกจะสอนได้อย่างไร พระองค์ปฏิบัติตนมาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องความเป็นความเห็นนั่นมาแสดงให้โลกเห็นและทางที่เดินจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เดินอย่างนั้นจะสั่งสอนคนให้เดินสายอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สายของความรู้ความฉลาดความพ้นจากพระพุทธเจ้าผู้มีความมุ่งหวังต่อบรราศัตว์ทั้งหลายอย่างเต็มพระทัยจะนาทางที่ปิดกิดพลาดมาสอนโลกจะสมควรแก่ความเป็นศาสนาได้อย่างไร เมื่อเป็นเช่นนั้นจัดทุกยากลำบากแค่ไหนก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาแสดงรู้เห็นอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาแสดงเพราะฉะนั้นทำแบบนั่งกินนอนกินแบบท่อแท้อ่อนแอนจึงไม่มีเราคู่จะดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าจึงเมื่อควรคำานึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากไปแต่ควรจะคำานึงถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไมแสดงอย่างไร จะยากลําบากก็คือทางเดินเพื่อความพ้นปุกไปตรงนี้จะเข้าลงหนาป่าพึบก็เข้าไปแดดจะร้อนก็ทนหนาวก็ทนฝนตกก็ทนยอมทนหิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกยากลําบากในการเดินในการทําความเพียรอา้าวก็ทน ลำบากในการนั่งก็ทนลำบากในการฝึกขัดดัดจิตใจที่เป็นไปด้วยความภูเเมเปื้อเหื่อเฮิมผลทนรมานเพื่อให้อยู่ในกรอบมีความลำบากหนักเท่าไรก็ทนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทนให้อดให้ทนอย่างนี้ไม่สอนให้ปล่อยเลยตามเลยทําที่ปล่อยเลยตามเลยไม่มีเราจะทําแบบปล่อยเลยตามเล ย, ยนั่นมันก็ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่สมก็ว่าเราเป็นจิต ท, ที่มีครูจิต ท, ที่มีครูท่านสอนอย่างไรเราก็พยายามดำเนินตามจิตใจไม่ใช่ว่าจะมีความพยศทรหดไปทางที่เสียหายโดยถ่ายเดียวเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมโดยทางที่ถูกแล้วย่อมจะมี ความจำนนลงเป็นลำหนักลำหนับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสนาของโลกไปไม่ไานเพราะเบื้องต้นท่านมีกิเลสเหมือนอย่างพวกเราไม่มีอะไรผิดกันควาโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีเพราะเรื่องของมตรรคต้องมีสิ่งทั้งสามนี้เกี่ยวปนอยู่เสมอจะแยกออกไปไม่นานนอกจากจะพ้นจากโลกนี้ไปเสียแล้ว นั่นจะไม่มีจริงๆถึงเราจะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามหลักของความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็เท่ากับเห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตามหลักความจริงการฝึกฝนตนเองโดยวิธีใดที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็ชื่อว่าเราฝึกตามแบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อปฏิบัติของเรา เพราะมีหน้าที่การงานอันเดียวกันการให้ทานพระพุทธเจ้าก็พาดำเนินมาแล้วเคยทํามาแล้วการรักษาศีลการภ า, าวนาภาวนาการตุปผลพรรมานตนมีความลําบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วแล้วดำเนินตามทางของพระองค์จึงเป็นเหมือนกับว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้ดำเนินตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมีจะต้องมีความสงบ เย็นใจในวันหนึ่งแน่นอนขออย่าได้ละความเพียรเท่านั้นและอย่าได้ประมาทตนว่ามีอํานาจวาสนาน้อยอย่าตําหนิตนามากโง่เขลาบรราัญญาแล้วถอยความเพียรอินฉะาละอาใจต่อการบําเพ็ญของตนนี่ยิ่งเป็นการเพิ่มกิ่เดชให้มีมากขึ้นเพิ่มอํานาจวาสนาอาลดอํานาจวาสนาให้น้อยลงความคิดแค่ น, นี้ไม่ใช่ เป็นการส่งเสริมความดีให้มีกำลังมากแต่ตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่จะเสริมสิ่งที่ไม่ดีให้มีกำลังแล้วกีดขวางทางตนเองจนหาทางเดินหรือทางเล็ดรอดไปไม่นานคติอันใดที่ดีนั่นแลเป็นทางเดินของเงาผู้ต้องการของดีหลักธรรมของพระเจ้าท่านชี้ไว้อย่างนั้น จิตธาตได้รับการปลุกฝนอบรมอยู่เสมอวันหนึ่งต้องมีแน่นอนที่จะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ให้เห็นกับเจ้าของผู้บำเพ็ญจิตที่มีความสงบก็เป็นความเย็นขึ้นมาถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นสุขยังไม่เย็นสงบแล้วก็เห็นคะัะนี่สงบเพียงแค่นี้เป็นความสุขแค่นี้สงบมากยิ่งกว่านี้ก็ยิ่งเป็นความสุขมากกว่านี้ ทำมาสงบก็คือจิตไม่เอาสิ่งอื่นมาเครือบแฝงจิต ท, ที่มีความเป็นอยู่โดยลำพังตนเองนั่นแหละเป็นความสุขตามปกติของจิตจะต้องอาศัยอารมณ์อื่นๆมาเกี่ยวข้องมาเสริมบ้างมาเหยียบย่ํา ม, มาทำลายบ้างทั้งฝ่ายส่งเสริมทั้งฝ่ายทำลายจิตก็ เ, เห็นชอบไปตามหมด ไม่เช่นนั้นคนจะไม่มีความทุกข์ติดจิตติดใจเลยเพราะเนื่องจากทุกข์มันก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของดีแต่มันก็พอใจเป็นเสีย อ, อกเสียใจอย่างนี้เราก็ทราบาว่าความเสียใจนี้มันเป็นทุกข์มันก็ยังพอใจในความเสียใจของตนเองอยู่ยิ่งสิ่งได้ที่คิดไป แล้วได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมากเท่าไหรก็ยิ่งจะชอบคิดในสิ่ง น, นั้นมากเช่นเขาโกรธให้เราเขาว่าให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความไม่ดีไม่งามไม่มากพึง ป, ปรารถนาแต่ใจก็ชอบจะคิดชอบจะนํามานําพึงลําพันธมาบ่นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาฝืนคิดไปเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มมากเหมือนกับ มีสิ่งที่มาทิ่มแทงบาดแผลที่มันมีอยู่ภายในส่วนร่างกายของเราทิ่มปั๊บเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็เจ็บเท่านซ้ำเข้าไปมากเท่าไรก็ยิ่งเจ็บมากนี่สิ่งที่ผิดฝืนชิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนเพิ่มความกำเริบให้จิตมากขึ้นทุกทีทุกทีจนหาที่ตรงจิตตรงใจไม่ได้เพราะอารมณ์นั่นได้รับการส่งเสริมเสมดจึงมีอานาจ สามารถที่จะทำลายจิตใจให้ตั้งตนเป็นปกติสุข ไ, ไ้่น่้ร้อนทั้งวันทั้งคืนที่ิป่งที่บางไม่ได้บางครั้งถึงกบเผอสติหรือสลบไปก็ยังมีคนที่เสียใจมากๆเป็นเพราะเหตุนั้นหนึ่งเราก็ทราบอยู่สิ่งที่ชั่วแต่มันก็พอใจให้คิดนี่จึงเรียกว่าหลงอารมณ์ของจิตเป็นอย่างนั้นแต่คิดไปทางที่ดีมันก็เพลิน ทั้งสองประเภท น, นี้เป็นสิ่งเครือบแฝงจิตใจใจที่มีความสุขในเวลาสงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆสิ่งที่มาเครือบแฝงหรือมากับทําความกระเพื่อมจิตใจได้รับความชอกทำไม่มีพอสงบเข้าไปก็เรียกว่าปิดประตูลักแขกคืออารมณ์ใจก็เป็นสุขนี่เลได้พักตัวเอง เรียกว่าได้พักตัวเองให้สบายนั่นแหละธรรมชาติของใจดีจริงเมื่อส ง, สงบแล้วเป็นอารมณ์ของตัวเองเป็นความรู้สึกของตัวเองแล้วมีความเย็นสบายถ้าคิดปรุงถึงเรื่องอะไรก็เอาเรื่องเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ถ้าเป็นถ่าเสียใจแต่ถ้าทำให้เสียใจใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยเสียใจไปด้วยจิตที่มีความสงบ จึงไม่เกี่ยวกับอารมณ์อะไรสมาอยนั่นแม้สิ่งที่มีความละเอียดที่เรียบว่าอาสวะละเอียดแล้วฝังอยู่ภายในใจก็ไม่แสดงตัวในยวนั้นจิตนะก็มีความสุขความสบาย้านรับการฝึกผนอบรมหรือส่งเสริมมากขึ้นความสบายนี้ก่อ เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลํานักลำหนั บ, นนบความสงบที่เป็นต้นทุนถ้าเรามีความสะดวกสบายภายในใจแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็เต็มกิจเต็มใจมีเหตุมีผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำหนับลำหนับตามหลักความจริงจริ ง, รงเหมือนอย่างคนที่ยืน อยู่กะที่มองดูอะไรก็เห็นชัดไม่เหมือนบุคคลที่กําลังวิ่งแล้วมองดูสิ่งต่างๆสองภาคทางนั่นไม่เห็นชัดจิตใจที่มีความสงบเราจะใชใ้คิดอ่านตรตรองดูเรื่องอะไรก็เห็นชัดดูเพียงเท่านี้เราก็จะทราบว่าเรามีวาสนาหรือไม่ ขาดใจเลยตากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วใจดวงที่พยศนี่แหละดวงที่เคยพยศอยู่นี่แหละในขณะที่พักสงบนั้นทำความร่มเย็นให้แก่ตัวเองอย่างนั้นเราจะพิจารณาดูขาลธาตุฐานอวะนชในส่วนร่างกายของเราจะเป็นภายนอกภายในแต่จองโดยทางปัญญาก็ มีความรื่นเริงบันทึงพิจารณาอะไรก็จิตใจก็จิตก็มีความเจาะตรงจริงๆสอดส่องมองทะลุตามเหตุตามผลรู้แจง้งเห็นชัดไปเป็นลํำดับลำดับทิ้งใงที่เคยจีบขวางลึกขับขล้องพนานจิตใจก็ตรงลงได้ด้วยปัญญามีทันเรียบแบบถอดถอนยิเดชันตรงลงได้ความเข้าใจของเราถูกและถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เคยเห็นผิดมาปล่อยวางได้มากท่าไภาระของ เบาลงไปเบาลงไปย่นเข้ามาย่นเข้ามาธาตุคำว่าธาตุสี่ก็เห็นชัดตามเรื่องของความเป็นธาตุสี่จริงๆไม่เพียงเสกสรรัณย์ยอหรือธาดุคเนยเฉยแต่เห็นชัดด้วยปัญญารอยวางลงได้ตามหลักความจริงของธาตุสี่ดินน้าลมไฟของความทุกข์ที่เป็นภายในกาย หรืความทุกข์กิจเป็นภายในกิตที่ทันเดียวกับเวทนาตัญญาก็สอดส่องมองลงปัดมีหลักฐานเกิดจากใจอันเดียวกันคนตายแล้วไม่มีทุกข์ในส่วนร่างกายแม้จะเอาไปเผาฟืนเผาไฟที่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงครางที่ไหนมีแต่เกิดขึ้นมาจากใจมีใจเป็นต้นเหตุ เมื่อพิจารณาลงไปก็ไปรวมอยู่ที่ใจสัญญาความจำํำจะจําชื่อจํานามจาเรื่องอะไรต่ออะไร ไ, ได้มากน้อยแค่ไหนก่อนเวลาหยุดแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจสังคาญความคิดเคยคิดมาสักกี่ร้อยกี่พันเรื่องกี่ปีกี่เดือนคิดชัทอะไรมันก็ดับลงไปอยู่ที่ใจมีหมายถึง ป, ปัญญาที่ได้สอบสองลงไปจะต้องรู้อย่างนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรวมลงไปสู่ที่ใจจนหมดปัญญาก่อนนับบรรมีความสามารถฉลาดรู้ในเรื่องของตนที่ไปเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นชัดแล้วจิตก็ถอยตัวเข้ามาถอยเข้ามาจนถึงวงเฉพาะคือจิตล้วนหลวน อาการของตัวเองแสดงตัวออกไปที่จะไปอาดเรื่อมกับสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็รู้คมกับเพื่อมของตัเองว่าเป็นผู้ผิดไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นโจรเป็นมารมาเป็นผู้ผิดแต่มันเป็นผู้ผิดสําหรับความเกี่ยวข้องของตนเองต่างหากไปเกี่ยวข้องกับถิ่นทั้งหลายนี้ก็ารู้เข้ามามีแบบปัญญาท่านีย่าบปัญญาขั้นละเอียดเป็นอย่างนั้น รู้ข้างนี้แล้วรู้ข้างนั้นรู้เข้าไปเป็นลํำดับลำดับรู้ตอนไหนก็ถอดถอนความกังวลออกได้ถอดถอนความสงสัยออกได้มีทนายกับกิเลสมนาที่กล่าวนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นถอดออกได้ตรงลงได้ตรงลงไ ด, งงได้จนสามารถตรงใจตัวเองลงได้หมดความหิวคำ หายกับอารมณ์ใดๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเคยคิดเคยปรุงมาทุกสิ่นทุกอย่างเป็นความเพียงพอด้วยอํานาจแห่งรัฐาภูตั ง, งานาพัสสนะรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่นทุกอย่างแล้วย่อมปล่อยวางกันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่ภายในใจใจก็อิ่มพอในตัวเองไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอารมณ์ ควมเพียงพอในตัวเองก็มีขึ้นสิ่งที่เคยแทกสิงอยู่ภายในจิตใจจะเป็นของละเอียดแค่ไหนปัรดาก็มีความละเอียดเท่าเทียมกันทำลอกปอออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความเมื่อยสุดพุทโถทั้งแ่งปรากฏขึ้ น, นเนินนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าทำอันประเสริฐหรือจิตอันประเสริฐคือจิต ด, ดวงที่เคยประย์นี่แหละแต่เมื่อได้ถูก ผลธรมาร์ําลอกปอกหมดแล้วกลายเป็นของพิเศษขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มีความรู้อยู่อย่างดั่งเดิมแต่ก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์คิดจากความรู้ที่เคยเป็นมามีท่านเรียกว่าจิตพิเศษถ้าอยู่ในร่างของใครผู้นั้นก็เป็นเป็นคนพิเศษขึ้นมาเพะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระกายอันเก่าก็ตามแต่ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษ ชาวกอรหัตทหารก็กลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นพิเศษที่มาเป็นลำดับำลำดับาหดับตามความเพียนที่จำเป็นได้จิตไม่ใช่จะโง่ต่อโง่ท่ตลอดเวลาไม่ใช่จะแบกหามทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความกดทวงตัวเองย่ำยีตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีเครื่องมือถอดถอนหรือแก้ไขแล้วย่อมปลดเปลื่องคอาได้เหมือนกับเราเดินไปในป่าอันรกชัดถ้ามีมีดมีค่าเดินติดมือไปด้วยแล้วเราก็พรอลอดไปได้เดินไปหน้ทั้งทั้งที่ป่าก็รกเราก็เดินไปหน้ที่ไหนกีดขวางก็ฟันออกไปแล้วไปเดินผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกัน โลกธาตุนี้มีกี่ปงกีประการเต็มไปหมดทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่จิตใจก็สามารถจะเล่นรอดเล่นรอดผ่านไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่เป็นเครื่องถักฐานสิ่งกีขวางทั้งหลายไปได้โดยสวัสดิ์ดีเมื่อทำธุระนาทีของตนให้หมด ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวเองแล้วนั่นตามหลักธรรมท่านเรียกว่าวุธิตังพรหมจริยธมคือเสร็จกิจธุระอะไรในศาสนาคำว่าธุระในที่นี้หมายถึงการบำเพ็ญเพื่อความให้ความยิ่งเพื่อแต่จิตการถอดถอนกิเลสอาสวะไม่มีจะทำกิจิตให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกก็ไม่น่า นับพลังอิสตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปก็ไม่นานนี่ท่านเรียกว่าเมืองพอถ้าจะพูดถึงเมืองก็เป็นเมืองพอเมืองพอดีไม่มีบกพร่องไม่มีเพิ่มพูนขึ้นยิ่งกว่านั้นจนเหลือเฟือไม่มีบกพร่องไม่มีขาดเคลินไม่มีหิ้วโหวยมีความสะดวก ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแดดจะร้อนก็ทราบว่าร้อนในส่วนถาดขันจิตเป็นผู้รับทราบเพียงความร้อนหนาวก็รับทราบว่าหนาวแต่ไม่สามารถจะจึมทราบเข้าถึงใจให้รับความเดือดร้อนไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องจิตเป็นธรรมชาติที่รู้ต้องรู้อยู่โดยดีแต่ไม่เก็บเข้าไปเผาผลาญตนเองให้รับความเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา นี่คือจิตที่ฉลาดพอตัวและปล่อยวางรา้ทุกสิ่งแลบบ้วเป็นจิตเช่นนี้แม้จะมีร่างกายอยู่ก็ทราบวอานี้อะไรมาผ่านก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สาคัญที่ซึมซาบหรือไม่นี่มีความแปร ต, ต่างกันกับสามัญชนทั่วไปนี่ท่านเรียกว่าบุคคลพิเศษวิจิตพิเศษเป็นอย่างนี้ผลที่ปรากฏเช่นนี้เกิดขึ้นมาจากการบําเพ็ญการจาก เกิดขึ้นมาจากความตะเกียจตะกายความตะเกียจตะกายโดยวิธีต่างๆตามหลักธรรมของพระโพธิจารย์ล้วนแล้แต่เป็นการดําเนินเพื่อก้าเข้าถึงธรรมจุดนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความภากเพียรของเราทุกวิธีทางจึงไม่มีอันใดชี้อาหารนีแต่เป็นความดีเพิ่มพูนเข้าไปเป็นลําดับลาดับเนียกว่าเป็นการเพิ่มอํานาจศาสนาของเราเข้าไปด้วยวิธีนี้คิดกับสิ่งที่ตรงกันข้าม มีความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นนั่นเป็นสิ่งที่จะกีดขวางเป็นมารเราจะไปกลัวแต่พระเทวทัศน์ว่าเป็นมารต่อพระพุทธเจา้าให้เรากลัวสิ่งที่เป็นมารต่อจิตใจของเราที่จะเป็นพุทธะคือความรู้พิเศษไม่ได้ก็เนื่องจากมารมันเกี่ยวข้องกับตัวเองรังควานอยู่ตลอดเวลาถ้าจะนั่งภาวนาเราดูใกล้ๆกับรู้นะเราจะดูมารหรือดูเทวทัศน์เราไม่ต้องไปดูที่ไหนอ่ะ ถ้าเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอะไรนะนั่งกายก็รู้สึกสะดวกสบายอยู่ทุกส่วนพอจะเริ่มนัง่งภาวนารู้สึกคันที่นั่นคันที่นี่อยากเกาหนังนิ้ยแย้ยเนีน่ยคุ้มค<น>ู่เคลิ้มเคลิ้รู้สึกอยากจะลับจะนอนอยากจะทําอย่างนั้ น, อ ย, นอย่างนี้แหมไม่มีเวลาไม่ค่อยสบายแหม่ะดู้ไหมว่าเทวเทวทัศมีกีดขวางนี่ถ้าพอจะจะนอนเท่านั้นหมอนถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบตูมตามไปกลอกเลยหนะ่ะ แล้วไม่ทราบเทวดาทํางาน <g iggle> เทว่าพาป่าทํางานเป็นเถ้าพุทธพาทํางานไม่เป็นถ้าจะเดินจงกรมก็เหมือนกันมีท่ามีทางเดินมองโน้นมองนี่มองดูตน า, าิกาได้กี่หน้าที่เหมือนกับว่าเราจะไปเดินเอานาฬิกาถ้าจะเดินจงกรมกลางวันมองดูตะตะวันบนฟ้าเหมือนกับจะไปเดินเพื่อเอาตะวันมองดูแต่าอากาศเหมือนกับจะเอาความมืดความสว่าง มองดูแต่เร่องเวลาเหมือนกับมาหาเรล่องเวลาไม่ได้มาหาธรรมะเนี่ยท่านนั่งภาวนากัมองดูแต่หมอนคิดดูแต่หมอนเหมือนกับหมอนจะวิ่งนีเหมือนกระตายก็รอกแต่เนี่ยว่าไงนี่มามรู้ไหมว่ามานมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่กับทุกคนยิ่งผููเทสทีตัวมานใหญ่แล้วนี่ถ้ามันไมไ่พบผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไม่ทราบจะ อ, อะไรมาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องของตัวเองนะแต่ก็รู้สึกจะแน่ใจอยู่ว่า บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงมาเป็นแบบที่เทศนี้มีมันเทศแบบเรื่องของตัวเองท่านตัวได้นำมาพิจารณาหากว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างในบางรายก็ขออาภัยด้วยได้นนำมาพิจารณาจึงข อ, อยุ่จิตธรรมเทศนาเขียนตรงนี้เองว่า